ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวอิโตทินนางเปตานังอุปการปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชาตุสัภะปูเรนตุสังกปาจันโทปนารสุยะถามณิโชติรสโยะถา ติโยวิวานชันตุสานพารโควินาสตุมาเตภาวันตันตรายโยสุกียูโกภาวะภิวันธนาศีลสนิท จังวนธาปาจา ย, ยินโหจานตารนธรรมวันทันติอายุวันโนสุขังภาลังสาพาพุทธานุภาเวนสัสาพพธรรมนุ <c oughs> สัพสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนางค์ธรรมรตนางค์สังฆารัตนาตินังรัตนานังอนุภาเวนะจตุริสีติสหัสธรรมะทันทานุภาเวนะปิตกัร ตัยญาุพาเวนะชินนาสาวกาุพาเวนะสาเพติสาเพติปยาสาวเพติอันตรายาสาวเพติอุปทาวาน เทเททุนิมิตตาสัพเทเทอาวามังคลาวินาสันตุอายุวัฒกโกธานาวัตฒกโกนสิริวัฒ ยาสาวันท่าโกภารวันท่าโกวันนาวันท่าโกสุขาวันท่าโกโหตุสาป่าธกโท ภาพยามเวลาโศกสัตุจุปัฏาวานกาอันตรายาปิวินาศสันตุจตสทสสาสิยสินที่ทานัางลาพังสโสตีภาคยัางสุขังภาลกเิริอายุจะวันนจอจะโพคางวุฒ จียสวาสะตะวสัสาจะอายุจะชีวสิที่ภาวนตูเทภาวตุสาภามางรากันตุสาภาเทวตาสาภาพุดทานุภาเวนสาธาสดีภาวัน อาวตุสาผ้ามังการลังรักขันตุสาว่าตาสาผ้าธรมมานุภาเวนาสธาสดีภาวันอาวตุสาผ้มังการลังรักขันตุสาผพาเทวตาสามปสังฆานุ พาเวนัสตาโสทีพาวันตุเต